อตอนนี้ไปก็ให้พากันนั่งภาวนาหัดนั่งขัดสมาธิทุกทุกกรก่อนการนั่งขัดสมาธินั้นฟังคำอธิบายของหลวงปู่ก่อนคือว่าให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขา ข, าขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย นั่งพะไร่คนอ้วนก็นั่งตามสบายกันต่อไปกับฮัตไมันก็ได้นั่งได้นั่งนๆ่งนั้งนั่เนี่ยคือวานั่งขัดสมาเ็ดเน่เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ปรับสโลเป็นพระพุทธเจ้านั่นพระองค์อายุยี่สิบเก้าปีก็เสด็จออกบวชบวชแล้วก็ไปโยะแทบเขาหิมรารัหกพันสา หลังจากนั้นก็ลงมาจังหวัดพุทธคยาที่นั่นมันมีต้นไม่พออยู่พระองค์จึงมานั่งขัดสมาธิเนที่ต้นไม่พอจึงได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าเราทุกคนก็ให้ตั้งออกตั้งใจฝึกไว้หัดไว้ เมื่อบุญบรารมีมันแ ก, ก่กาสามารถเพยอมเป็นไปได้นั่นเป็นคำแนะนำตอนนี้ไปก็เป็นคำทำให้ดูนั่งคัดสมาเ็จหลวงปู่อายุแปดสิบเอ็ดเป็นยังนั่งได้อดิไม่ต้องตีว่าขาสั้นขายาวอ้วนพร้อมไม่ต้องตีตีมันก็ได้ตีตัววัน เน่กอให้ดูดูเวลาหลงปูนั่งให้ดูแล้วก็ไปฝึกไปฝึกไปหัดตนเองถ้านั่งทุกเคินทุกเคินเช่นเอ็นมันจะยานออกมานั่งง่ายแี่น่ถ้าเราตินั่นติเน่มันก็เลยมันบ่ยยานมันแข็งก็เรื่อยไปแข่งเรื่อยไปมันก็ทําบดได้ ทีนี้เมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพ็จได้แล้วก็ให้เอามือขวาทับมือซ้ายมันอมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงมันเมื่อตั้งกายให้เที่ยงคนเรหลับตาเวลานี้ไม่ต้องดูใครดูใจของเราเองหัาใจดวงผโพโลอยู่ในตัวเรานี่มันไปไหนอยู่ไหน ถ้าเราสังเกตให้เดีก็จะู้ได้เข้าใจแต่เดียวว่าที่เราได้ยินเสียงก็คือว่าจิตใจเราอยู่ภายในร่างกายนี่แหละใจนี้ถ้าออกจากร่างกายไปแล้วไม่มีใครรู้แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นแต่ท่านไม่พูดมากเหมือนคนเรา ท่านโลว่าใจคิดบาปคิดบุญเป็นบนุญเป็นบาปท่านโลเมื่อเราหลับตาแล้วน้ำตานอกนี้มันหลับได้แต่ตาในคือตาใจจกักษ์โกกคือตาตาภายในนั้นแม่หลับตาแล้วมันก็ไปได้เห็นได้เวลาคิดนึกไปไหนมันก็เป็น เป็นโลกเป็นล่างเหมือนกับตาเห็นเหมือนกันในเมื่อเราหลับตาแล้วให้เราตั้งใจลงไปตั้งสัจจะอธิฐานใจลงไปว่าชั่วระยะที่เรานั่งภาวานาเนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราก็จะไม่วุ่นวาย มันไม่ตายอย่าไปกลัตายเพราะว่าในอนาคตการทุกๆคนจะต้องตายดูคนเราที่ตายเขาตายไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่บางคนก็เกิดคลอดวันนั้นตายวันนั้นก็มีเกิดมาเจ็ดวันตายก็มีสิบวันตายก็มีสิบห้าวันตายก็มี เกิดมาเดือนหนึ่งตายก็มีสองเดือนสามเดือนยังไม่ถึงปีตายก็มีได้ปีแล้วตายก็มีเวลามันตายนั้นไม่มีใครไปห้ามได้เวลาเราจะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าไปเข้าใจว่าเรานั่งแล้วโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายมันจะกำเริบเสร็สัน ให้ร่างกายเราไม่สบายอันนี้ก็อย่าไปเชื่อมันมันเป็นสังขารลมานตรงแต่งอยู่ในใจคนเราทุกๆคนให้เฉยโยเหมือนร่างกายร่างกายจริงๆคือธาตุดินปะทวีธาตุดินอาโปธาตุน้ำเตโชธาตุไฟวายโยธาตุลม ธาตุทั้งเศษดินน้ำไฟลมนี่มีอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่ใดแต่ไรมาแล้วคนเราที่เกิดมาก็คือเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมาประชุมเป็นตัวของเราเยศพวกมาเยศมาเถือก็ว่าเป็นตัวของเราแข้งของเราขาของเราหน้าตาชื่อเสียงตัวเราของเรา แต่ถ้าเราถามดูให้ดดว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดกละนี้มันเป็นของใครเป็นของนายก o นางขอหรือเป็นของใครความจริงมันไม่ได้ว่าเป็นของใครธาตุเดนก็เป็นดินอยู่อย่างนี้ธาตุน้ำก็เป็นน้ำธาตุไฟก็เป็นไฟธาตุลมก็เป็นลม ถ้าทั้งซีดินน้ำไฟลมไม่ใช่ตัวเราเป็นของโลกเขาเป็นของโลกโลกก็คือว่าดินน้ำไฟลมนั่นเองเมื่อเรานั่งได้แล้วก็ให้ตั้งใจให้สงบมันแล้วลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะแปลว่าโคโลหรือว่าพระพุทธเจ้า พระพธิเจ้านั้นรู้อะไรแต่รู้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมรู้สมมตินยมมตนยมของโลกแล้วทําไม่หลงสมมตินนยมของโลกเรียกว่าท่านรู้แจง้งรู้ว่ามันต้องมีความแก่ความชราเป็นธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วใครจะมียาวิเศษ ขนาดไหนก็ตามมารักษารา่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้ชราก็ไม่ได้รักษาก็รักษาไปแต่ว่าแก่ชรามันก็แก่ชราไปอย่างเราเกิดมาแล้วตามธรรมดามนุษย์คนเราเกิดมาแล้วตอนแรกย่อมีฟันฟันเขี้ยวในปากมีทุกคนเอกใน สามสิบสี่สิบห้าสิบไปหน้าแล้วฟันนี่จะหลุดออกมาเป็นซี่เป็นซี่ยิ่งแก่ไปเท่าไรก็หมดแต่ไม่เหลือแต่สมัยนี้เป็นสมัยที่เรียกว่ามันมีสติปัญญาพอแก้ไขไปได้เมื่อฟันเก่าหลุดไปแล้วเขาก็เอาฟันปลอมมาใส่ให้ย่างหลวงป้พูดเทศ์นี่ก็ใช้ฟันปลอม แต่ฟันปลอมหลงปู่นั้นมันเป็นธรรมชาติเป็นฟันปลอมพิเศษใช้ทํามาสี่สิบปีเรา ย, ยัางใช้ได้อยู่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปเป็นมาคือว่าสมัยโน้นสมัยเปลี่ยนฟันเวียนฟันปลอมร่างกายมันเป็นคนผอมคนเล็ก พอเปลี่ยนฟันปลอมแล้วใช้ฟันปลอมแล้วมันอ้วนขึ้นร่างกายมันอ้วนขึ้นมันเลยไม่หลวมเต็มขึ้นมาแต่ถ้ า, าว่าไม่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เปลี่ยนไม่รั่วกี่ชุดสี่สิบปีนี่แล้วอะตามธรรมด า, าก็สามปีสี่ปีห้าปีก็เปลี่ยนแล้วมันมาอยู่ใน เหลือกในฟันนี่ก็คือมันแสดงว่าไม่เที่ยงแสดงว่าฟันที่เราว่าของเรามันก็ไม่เที่ยงผอมบนศีสะเมื่อเด็กเมื่อนมวัดดำเมื่อแกะชราแล้วขาวไปนั่นมันก็แสดงความไม่เที่ยง แสดงว่าความแก่ความจราของคนเรานี่มีอยทุกขณะทุกเวลาแต่ว่าใจเราไม่รู้จิตใจมันก็มาหลงเวลาเจ็บไข้ได้พญาติขึ้นมาก็มายึดมาเือว่าเราเจ็บไข้ได้พยาติหรือว่าลองทางไปตามภาษาของคนว่าข้าพเจ้าเจ็บปวดทุกเวทนาลองให้มันก็ไม่ฟังมันก็ไม่ยุด ถ้ามันโลกได้เกิดมากแรงมากมันเอาถึงตายก็ได้ฉะนั้นวันนี้เราทุกคนยังมีชีวิตลมหายใจอยู่ยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจรีบเร่งภาวานาในใจพุทโธคุณพระพุทธเจ้าลำลึกไว้ในใจ มันจะคิดไปไหนมาไหนเมื่อใจเราไม่ไปมมสติเตือนใจเราอยู่ว่าอันนั้นเป็นความคิดนึกไปต่างหากดวงใจของคนเราจริงๆมันตั้งแต่มาปฏิสนธิวิญญาณแล้วมันไม่ได้ไปไหนนั่งเฝ้านอนเฝ้ากองกระดูกสามร้อย่อนนี่อยู่จะไปไหนมาไหนมันก็ขอบหิวกองกระดูกไป ร่างกายเนื้อหนังไปทิ้งไม่แล้ถ้าทิ้งเมื่อใดก็ตายแหละถ้าจิตไม่โยแล้วก็ตายทิ้งบัดนี้เราได้มาสซ่สถานที่วิเวกภาวนาอันเราทุกคนบนหาอยู่เสมอว่าเรายโยในบ้านในเรือนในครอบครองเย้าเรือนจิตใจจึงไม่สงบ เมื่อใดหนอ้อเราจะได้ไปในป่าในเขาในถ้ำในที่วิเวภาวนาอย่างสมัยประพฤติธธ้าสมัยครั้งพุทธกาลเราคิดไว้อย่างนั้นแต่วันนี้วันเวลานี้เราได้มาสู่สถานที่วิเวเพราะว่าถ้ำผาปลอกทาก็คือว่าหินถ้ำก็คือมันเป็นคลองเป็นกลน อย่างที่เรานั่งนี่แหละแต่ว่าถ้าอย่าง น, นี้นเราหาได้ยากลองไปหาเกิดในประเทศไทยเราจะมีถ้าอย่างนี้หามีน้อยส่วนมากนั้นจะมีถ้าเข้าไปแล้วก็ไปสดอันนั้นอากาศไม่ค่อยดีเกิดอากาศเสียขึ้นมาแต่ถ้าไม่ไม่เป็นอย่างนั้นมันปล o n ลองามาทาง ทติตะวันทิศเหนือมันจะเข้าผ่านไปและไอพวกนกขังค่าวขี้เยี่ยวมันเหม็นมันก็มาอยู่ไม่ได้กลางคืนมันก็มาสองสามตัวมันก็ไปกลางวันมาอยู่ไม่ได้มันอีเยี่ยวอีแล้วเยอะก็เลยนกขังข่าวขี้นกขังค่าวก็ไม่มารบกวน ผู้มาโยธรรมเนตรมักจะอยู่ดีสบายไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บมากมายอะไรหลวงปู่มาเพราะธรรมนี้มาอยู่ตั้งสี่สิบปีแล้วยังไม่มีพระเนนอุบาศอุบาเสกามาเจ็บไข้ได้ป่วยแะนีน่ต้นจนถึงตายในนี้ไม่ค่อยมีแม่แต่คนเดียวแม่แต่องค์เดียว คันไม่สบายมันก็ไปที่อื่นได้ล้ไปตายที่อื่นอย่างนั้นเองเทเน่นานแล้วอ่ะยังไม่มีคนตายยังไม่มีพระเนนตายแฮ่นั้นผู้ใดกลัตายและให้มาอยู่ท่ามผาปล้องไม่ตายง่ายๆมันมีบริหารร่างกายอยู่เสมอเวลาลงก็อยากนี่ลงไปจนถึง ลานจอดรถนะมันเก้าเส้นดัดเส้นลงไปเวลาขึ้นมาก็ดับเส้นลือดฉีขึ้นมาเก้าเส้นเดินขึ้นมาจากลานจอดรถถึงที่นี้ก็บนศีรษะรู้สึกว่าเหือชุมแล้วนั่นแหละออกกำลังออกกำลังหรือว่าออกเอ็กเซอร์ไซส์ออกเอ็กเซอร์ไซส์ กำลังกายดีผู้ใดอยากมีอายุยืนก็ให้ขึ้นมาภาวนาบวชเป็นฤาษีตาฝขาวแม่ชีอยู่ทาป่า ป, ปองเพราะว่ามันมีที่ดัดเส้นดัดเส้นฤาษีโดยเฉพาะคือการนั่งสมาธิภาวนาเราไม่ต้องไปกลัวการนั่งสมาธิภาวนานี้ถ้า กลาวถึงความจริงแล้วมันมีธรรมท่านตัดไว้ว่าพุทธโอสถพระพุทธเจ้าเป็นยาธรรมโอสถพระธรรมเป็นยาสังฆโอสถพระสงฆ์เป็นยาคำว่ายานะ่มันแก้โรคภัยใขรเจ็บได้เพราใดนั่งสมาธิภาวนาหรือว่าเหนื่อยแล้วก็เดินจมกลม กลับไปกลับมาเส้นเอ็นมันแกยานยิตใจก็สบายเราไม่ต้องไปคิดถึงใครคิดถึงตัวเราให้ได้ว่าเราไม่ต้องไปห่วงใครเราเกิดมาคนเดียวอาศัยบิดามาดาผู้บังเกิดเจ่าเกิดมาแล้วท่านก็มีความเมตตาการุณเลี่ยงดูลักษา จนกระทั่งเราท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่ในเวลานี้พ่อแม่บิดามารดาท่านจึงถือว่าเป็นพระอาหารหันต์ของลูกเพราะได้ยังมีพ่อแม่ก็ให้ปฏิบัติช่วยรักษาท่านได้บุญได้กุศลหรือว่ายัางหนึ่งว่าใครอยากจะทำบุญให้ทานแก่พระพุทธเจ้า แม้เราไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าโดยรูปกายจริงเราก็ได้เห็นพระพุธทธโลกพระยืนพระนั่งพระนอนถ้าเราอยากจะทำบุญให้ทานแก่พระพุทธเจา้าท่านก็ตรัสไว้ว่าให้ช่วยกันปฏิบัติพระสงฆ์ที่แกบไขได้ป่วย พระสงที่เจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่มีพ่อแม่ญาติมิตรสหายท่านเป็นคนคนเดียวเป็นชายคนเดียวเป็นหญิงคนเดียวให้ทาบุญกับพระสงฆ์ที่เป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอาพาธก็เหมือนได้ใส่บาทปพระพุทธเจ้าหรือเราปฏิบัติพ่อแม่ญาติมิตรสหายของเราทุกคนให้อยู่ดีสบาย ก็เหมือนกับว่าเราได้ปฏิบัติพระอระหันตธรรมดาพระอระหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปัิเจกก็ตุเจ้พจาพระโสดาสกิตาคาอนาคาอารหันตานั้นยากที่ท่านจะทําให้เกิดให้มีขึ้นเมื่อเราได้ทําบุญกุศลกับบิดามารดาพ่อแม่ ก็ชื่อว่าเราได้ปฏิบัติละอหาหันพ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นผู้มีบุญมีคนบางคนไม่โล้จากคุณพ่อคุณแม่บ่นให้พ่อแม่ว่าตัวข้าพเจ้าจะทุกข์ยากลำบากลำคาอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ท่านไม่ให้เงินให้ทองไม่ทำไว้ให้มากมากบ่นไปอย่างนั้น ก็เราก็มีมืออยู่มีเท้ามีมือมีตัวมีอะไรอยู่ทุกอย่างครบถ้วนเมื่อเราอยากได้อะไรเราก็ต้องทําเอาเองไม่ต้องไปติท่านว่าท่านไม่ให้สมบัติสมบัติทั้งหลายเนี่ยเรานินมือสองข้างข้างและข้างมันมีอยู่สิบนิ้วมีเท้าอยู่สองทาในปลายเท้าก็มีนิ้วเท้า เมื่อกายเมือจตคลองอยู่นี่ก็คือว่าเป็นบุญเป็นกุศลได้มารับมาจากบิดามารดาต้อนทายทอดต้นงทานไว้เราอย่าไปตีว่าท่านไม่ดีให้เตือนใจของเราว่าตัวเราไม่ดีต่างหากเมต่ความเจดคานท้อถอยเห็นแก่หลับแกนอน ฟังเร่ฟังธรรมก็ไม่ตั้งใจภาวนาก็ใจไม่ตั้งคิดฟุ่งซ่านลาคาญตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายก่อนจะตายก็ร้องให้น้ำตาไหลไม่อยากตายแต่ก็ด้วยความจาเป็นธรรมดารูปนามกายใจของมนุษย์คนเหล่านั้นเกิดมาแล้วม น, นแก่ชลาไปทุกวันเวลา แล้วมันจะเจ็บจะไข้ ย, ย่างไงมันก็เป็นไปเองเจ็บใจไม่ต้องการมันก็ได้มันเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าจึงได้แนะนำสั่งสอนไว้ให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจทำบุญให้ทานให้รักษาศีลห้าศีลแปด ให้ว่าพระสวดมนต์ทองบนสายายธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาสั่งสอนจิตใจของเราให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาอย่าปล่อยจิตใจให้เพลงนผ่านไปภาย น, นอกการภาวนาจริงๆดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านนั่งภาวนา ในวันสำคัญคือวันเดือนหกเนพนทั์เต็มดวงเมื่ออายุพระองค์ได้สามสิบห้าปีสเสด็จมาที่จังวัดพุทธกยาลิมฝั่งแม่น้ำในรัญชามีต้นไม้ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้สวยงามตามตำนานกล่าวว่าต้นไม้ต้น น, นั้นเกิดปีเดียวกับพระพุทธเจ้า อายุได้สามสิบห้าปีาพระพุทธเจ้าของเราก็สามสิห้าปีเมื่อมาถึงต้นไม้โพนั้นพระองค์ก็มาดูว่าต้นไม้ต้นนี้ตั้งแต่พระองค์เกิดมายังไม่เคยเห็นสมบูรณ์บริบูรณ์นับตั้งแต่ใบยอดกิ่งก้านสาขาจนถึงลำต้น เป็นต้นไม่ที่บริบูรณ์ชลอยเราจะได้มาตรัสู้ที่นี่ก็เป็นได้ที่นี้เมื่อพระองค์มาล้ำลึกอย่างนี้แล้วก็เลงในยานที่พระองค์มีอยู่ว่าข้ั้งหนึ่งพระองค์เกิดมาในโลกมีนามว่าสุมเมธดาบท เป็นเลือสีชีไพรโยในป่าเพิกขัาภวานารักษาสินห้าสิงแปดมีบริเวณมีบริวารห้าร้อยสมัยนั้นเวลานั้นมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรลดในโลกเหียอว่าพระพุทธเจ้าทีปังก่อนทรงเมธรรดาพร้อมด้วย โรคสิษ์บริวารห้าร้อยหาหัวหมากลากไม้ในป่าทำให้ดีให้สุขแล้วก็ไปถวายสัพพุส ม, มาสัมพุทธเจ้าทีปังก่อนพร้รอมด้วยพระ ส, สงฆ์สาวกห้าร้อยเมื่อท่านฉันอาหารบินทบาทเร็ดเดียบร้อยแล้วก็ตรัสแสดงทม แต่สุมเมธดาบดร้อมด้วยบริวารพอสมควรแล้วบริวานทั้งห้าร้อยก็ได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งท่านนิพพานแต่สุมเมธดาบดมีความข้องใจอยู่ว่าได้ปรารถนาว่าจะให้เด็กเป็นพระพุทธเจ้าเสียก่อนยึงจะเข้านิพพาน จะไปเข้านิพพานเดี๋ยวนี้ไม่เอาก็ล้วสรงเมตตดาบทบทก็ไม่ได้สำเร็จนักผลข้างเติงอยูะนั่นเลยเมื่อเห็นเันนั้นพระพุทธเจ้าทีปังกรพระองค์ท่านก็รับพระพยากรณ์แก่สรงเมตันดาบวาดดูกรทรงเมธตดาบ อีกสีอาสงไขข้างหน้าจะได้มาตรับสรู้ที่ประเทศอินเดียนี้พอสุเมธธดาบทได้ยินดังนั้นก็เกิด ต, ติติยินดีในใจอินมในอกในใจนั่นแหละนรัตพระพยากรผู้จะเป็นขุทติจาได้ ล้ำพังตัวเองบำเป็นฐานรักษาศิญพาวนาก็ยังไม่ค่อยได้ต้องได้รัตทะพยากรพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งจิตใจจึงจะกล้าหานสามารถทําบุญให้ถามได้เต็มที่สามารถรักษาสิญห้าได้เต็มที่สามารถรักษาสิญแปดสิสิบสองรอยี่สิบเจ็ดให้เต็มที่ได้พระพุทธเจ้าของเรา เมื่อมาถึงต้นไม่พอนั้นพระองค์ก็มาล้ำลึกว่าในยาน ท, ที่ได้รัฐพยากร น, นั้นว่าสีอสองไขยแสนหมากับเวลาพระองค์มาถึงต้นไม่พอก็มั่นโยในขั้นสีอสงไขยทำไมจึงปรัรูลไม่ได้พระองค์ก็มาทบทวนในใจ เมื่อทบทวนในใจอยู่พอจิตสงบลงไปบ้างบ้างก็ได้ความขึ้นมาว่าอันผู้จะตักกิเลสราคะโทสะโมหะให้หมดไปสิ้นไปหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอาราหาันตาเจ้าทั้งหลายนั้นจะต้องละชีวิตนนะมีอุบายธรรมเกิดขึ้น พอมีอบายธรรมเกิดขึ้นว่าจะต้องสละชีวิตจึงจะได้ไม่ใช่จะเอาง่ายๆเลยพอได้ความอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็เข้าในพระทัยเข้าในใจว่าวันนี้เราจะสละชีวิตก็เราเล็กได้วันนั่งขับสมาธิเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอาขะหัดมือทั้งสองพักกันลงไปตั้งใจว่าถ้าหากว่าปรัสโลเป็นกระพุตเจ้าไม่ได้ละก็เราจะนั่งสมาธิภาวานานี้ให้ตายเสียชาตินึงเกิดมาชาติใหม่เอาไปอีกแต่ว่าด้วยบุมบันดาลมันยังไม่ยังไม่ เลยไปได้ยังไม่ถึงขั้นตายพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลำเลิกอีกว่าจะเอาอุบายทำอันใดหนอมาภาวนาก็ได้ความขึ้นมาในใจของพระองค์อีกเหมือนกันว่าก็อันมาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออก นี่และบทภาวนาไม่ต้องไปหาข้ออัจข้อทำที่ไหนเวลาโชดลมหายใจเข้าไปเจ็ดผู้รู้โยภายในก็ให้ลำลึกว่านี่นี่เป็นลมเข้าเวลาลมออกมาก็นี่เป็นลมออกพวกลมเข้าออกก็มีสติตั้งใจให้มั่นคงก็เป็นสมาธิ มีปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ปล่อยให้ใจิตใจเลอะเทอะฟุ้งซ่านไปตามอำนาจกิเลสเจ็ดก็คองสาสสะอาดตั้งนั่นเที่ยงกลงของที่ลงไปในคืญญานวันนั้นก็เป็นวันวิสาขาบูชาคือเดือนหกแผ่นพระจัน์เต็มดวงโปรฟังอนิจจนามในโลกกายใจนี้ไม่เที่ยบ มันเที่ยงกองคงที่ที่ไหนตั้งแต่เราเกิดมามันเลื่อนมาตั้งแต่ไปนอนอยู่ในท้องแม่ตั้งเก่าเดือนสิบเดือนคลอดมาแล้วก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนอยู่ทางนอกยนแก่ชราก็ตายไปมันจะมีเที่ยงที่ไหนในโลกคนก็ตามสัตว์ก็ตามแม้จะไม่มีเลยึดใจครองเหมือนต้นไม้ใบหญ้าก็ยังมีตาย นี่แหละพระองค์มากำนดได้ว่าน้ำมมโลปังน้ำหมายถึงจิตโลปังหมายถึงลูกได้กับใจนี่มันไม่เทีย่ยงจะให้มันอยู่อย่างนี้ไปไม่แก่ไม่จะลาไม่ได้เมื่อพระองค์กำหนดแจงแจ้งในใจจิตใจของพระองค์ก็สว่างแจง้งไม่มืดไม่มืดไม่หลงเรียกว่าภาวนา นา ม, มาโรปังทุกขงังคือว่านามในโลกกายใจเมฆมีที่ไหนมันเป็นทุกข์ที่นั่นทุกหลายอย่างหลายประการในโลกในนามในตัวตนคนเราถ้าไม่ได้ไม่มีอาหารเลี่ยงก็ตายเลี่ยงเกินไปก็ตายอีกเรียกว่าอาหารมันทับ แล้ววัานน้ำโลกนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคําว่าอนัตตานันา้นท้าทายความจริงมันไม่ใช่ของใครโดต่ว่าเมื่อมันเจ็บใข้ได้ป่วยคนเราไม่ต้องการไม่อยากได้มันก็ได้จนกระทั่งถึงขั้นมันจะตายไม่อยากตายมันก็ตายไปแม้คนอื่นร้องให้น้าตาไหลมันก็ไม่กลับมา ตัวเองจะร้องให้น้ำตาไหลมันก็ไม่พ้นจากความตายแค่นั้นเราตั้งใจลงไปอย่าไปกลัวตายคนที่กลัวล้มกลัวตายไม่บำเพ็ญทานไม่รักษาศีลไม่ภาวนาไม่ลกขึ้นภาวนาละกีรดความโกรธความโลภความหลงในจิตในใจของตนให้หมดสิน้นก็มาเกิดมาตายวุ่นวายอยู่อย่างนี้ไม่จบไม่สิน้น แค่นั้นเราทุกคนต้องพากันมีความมานะอดทนตั้งใจให้มันอย่าไปหวั่นไหวีหูก็ต้องได้ยินเสียงเสียงที่เราได้ยินทางหูเราจะไปคอยเอาแต่เสียงยกย่องสละเสริญเยินยอเทิดทูนก็ไม่ได้อีก เมื่อเขายกย่องสรรเสริญได้เขาก็ติเตียนนินทาว่าไล่ป้ายสีให้ได้เหมือนกันฉะนั้นเมื่อเสียงดีเสียงไม่ดีมากระทบก็ให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเ ย, ตา ย, ย็ใจเราอยากไปเยึดถือทำใจให้สงบนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวภาวานาได้ทุกลมหายใจเข้าออก และให้เห็นว่าทุกลมเข้าและลมออกมันแสดงความแตกดับความตายเวลาเวลามันจะตายจริงๆก็ลมเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายมันตายที่ธาตุลมนี่แหละบัดนี้เราทุกคนชีวิตของเราเหลืออยู่แค่ลมหายใจเข้าออก เราจะมาเพิดเทินลุ่มหลงตามโลกเสียงกิ่นรสโตัตวพระธรรมาลมไปถึงไหนแต่ทลาเท่าไปแล้วมันก็ไปตายนั่นเลยเวลามันจะตายนั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายพูดจาปาไสกับเพื่อนมนุษย์อยู่ก็ตายได้เราเอาอะไรแก้ม่ได้ เราต้องแก้ในจิตเมื่อจิตไม่มาลุ่มหลงตามโลกเสียงกลิ่นรสเมื่อจิตไม่มาเย็บหน้าถือตาไม่มาเย็บ ต, ตัวถือตนไม่มาเย็บเราเย็บของของเราในโลกนี้ดันจิตใจปล่อยวางได้ทั้งภายนอกและภายในทั้งอยากกิเลสอย่างอยากกิเลสอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดโคไดเลิกไดละไดหมด พ่อหนุนก็แล้วว่าพ้นจากทุกข์ภายในวัฏสงสารไปเคยคิดใจไม่มาทุกมาร้อนกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายใครจะเกิดก็ตามใครจะแก่ใครจะเจ็บจะใกล้ใครจะตายก็ตามเราจะตายก็ทํามัมนมันตายเองไม่ใช่เราได้ฆ่ามเนรแลพ่อปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้พากันตั้งอกตั้งใจ โยที่ไหนไปที่ไหนก็ให้ไหว้พระลาพระทำวัดสวดมนต์ทุกคืนทุกคืนบัน้นท้ายก็ให้นั่งคัดสมาธิภาวนาทมจิตใจของเราให้ได้ทุกคืนทุกวันทุกลมหายใจเข้าออกและให้นึกว่าความตายนั้นมันใกล้ที่สุดโยที่ลมหายใจ ถ้าลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูตรเข้ามาไม่ได้ก็ตายไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีอายุได้เท่านั้นเท่า น, นี้ตายไม่ใช่ลมหมดเมื่อใดก็ตายเมื่อ น, น, น, นั้นเราต้องรีบเร่งภาวนาเป็นเด็กก็ภาวนาได้เป็นคนหนุ่มคนสาวก็ภาวนาได้เป็นคนเท่าคนแก่จลา ยิ่งจะต้องตั้งใจภาวนาใมันมากมายจนให้เกิดความรู้ความฉลาดขี้แอดนานสังขารมานันมันหลอกลวงอย่างไรอย่าได้ไปเชื่อไปหลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้โลกน่ะมันอนิจจังทุกขังอนัตตาทางนั้นมันเกิดแก่เจ็บตายวุ่นวายไม่จบไม่สิ้น เจ็บใจให้มีความสงบและ ว, ว่าสงบกายสงบวาจาสงบจิตเอาจิตให้สงบวาจาก็สงบได้เอาจิตให้สงบกายก็สงบได้เมื่อจิตไม่สงบมันก็ดิ้นลนวุ่นวายทั้งกายและวาจาจิตใจวุ่นวายตั้งแต่เกิดจนตายอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละ เราท่านทั้งหลายได้สะดับธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาเป็นการปฏิบัติบูชาตอนนี้ไปให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญสมาธิภาวนายาได้ประมาทก็จะมีความสุข ก, กายสบายใจไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวาย ดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาอีวังก็มีด้วยประกาละชนีสัีติยวิวัันตุสพระโลโควินัสสตมาเตฟวัตตวันตรายโยโสเคเคคายุโกฟวะพิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปจายิโน จตารโอธรรมดาวะทันเปอายุวันโนโสขังภาลัง